ถ้าสัญญากับสติที่สัมพันธ์กันเนี่ยนะเช่นว่าเห็นหน้าหรือเห็นอะไรก็ตามสักอย่างนึ่งนะเอาเอาเรามาเล่นอารมณ์เดียวก่อนคือรูปเนี่ยนะรูปารมณ์ซึ่งประกอบด้วยสีขาวสีเขียวสีเหลืองแล้วก็แดงเอาเอาสีที่เป็นกสินดีกว่า น, นะสีทั่วทัวไปเอาไว้ก่อนพวกสีเหล่านี้เนี่ยนะปกตินัคนที่ช อ, ชอบชอบเนี่ยชอบสีอะไรก็ชอบปุนเป้นอยู่แถวแถวสีเหล่านี้แหละ บางคนติดขาวมากบางคนติดออกเขียวๆหน่อยบางคนติดเหลืองมากบางคนก็ติดแดงหรือว่าสีเหล่านี้ผสมกันไปผสมกันมาความวิจิตก็ชอบในสีเหล่านี้นี่แหละถ้าปกติแล้วคนที่ชอบสีเหล่านี้จะต่อด้วยกามมาสัญญาเนี่ย น, นะเช่นต่อด้วยกามมาสัญญาก่อนถ้ากา ม, มาสัญญาถ้าสีเหล่านั้นมันวิบัติอันใดอันหนึ่งไปนะพยาปาธาสัญญาก็ตกามมา พยาปลาท่าสัญญาก็ตามมาใครมาทาลายสีก็นึกเดียดเดียนดอกไม้สวยๆใช่ไหมอะไรมากัดพ้นให้ตาให้หมดต่อด้วยวิหิงสาสัญญาเป็นต้นทีนี้พวกสัญญาอย่างนี้ถ้าอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตถ้าอยู่ในสิ่งมีชีวิตถ้าจะแก้ อ, อากุศลอันนั้นจะต้องอาศัยสติมาแก้เช่นเห็นสีขาว เห็นสีขาวเนี่ยนะของอผิวขาวเป็นต้นหรืออะไรก็ขาวก็ตามต้องสติไประลึกถึงอาสุภาอันนั้นอ่ะเพื่อมาเปรียบกับกับสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยให้เพื่อจะได้ลดอะาคุศน ส, สัญญาอันนั้นออกไปเช่นเห็นเป็นวิธีแก่ว่าใส่ใจว่าขาวก็มาใสา่ใจคําว่าเขียวแทนเนี่ยนะเพราะงั้นไอ้กิจที่ระลึกถึงอดีตนั้นอดีตนั้นก็ต้องสัญญาที่เคยเจริญไว้ตอนนั้นต้องแม่นยํามาก สติมันจึงเจริลึกแล้วเกิดการเปรียบเทียบกันได้เกิดการเปรียบเทียบฉนั้นพวกนี้มันทั้ ง, งสติทั้งสัญญาก็ต้องแม่นมากเนี่ยนะที่จะเจริญกรรมฐานได้ก็จะแก้อย่างนี้ฉะนั้นสามารถจะต่อด้วยอสุภาษกรรมฐานก็ได้อุวนณะกะสินก็ได้โดยที่มีสัญญาเป็นเป็นหลักส่วนถ้าเป็นอย่างสีเขียวเนี่ยนะใครที่ชอบสีเขียวก็ก็ดูว่าแก้อย่างไง ถ้าชอบก็เป็นกรรมวิตกต์เป็นอกุศลมิตกถ้าอากุศลมิตกมาให้จะเจริญอาศุพะยังไงเพื่อที่จะจะตับในสิ่งนั้นถ้าในสิ่งที่ไม่มีชีวิตอสิ่งมีชีวิตนะถ้าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยก็ไปเป็นเจริญเป็นวันณะกสินชอบสีนั้น น, นจริงๆไม่มีปัญหาชอบแล้วต้องเอาให้ไม่ได้กสินนะคือคือก็ชอบสีขาวก็ขาวให้จริงให้มันเข้าชามได้โดยที่มี สีขาวเป็นอารมณ์ก็แล้วกันถ้าชอบสีเขียวก็เอาเขียวให้มันเป็นอารมณ์ของฌานไปก็แล้วกันก็คือแทนที่จะคิดเป็นอกุศลสัญญาก็มาเป็นกุศลสัญญาแทนให้มาเจริญแต่ทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่สติว่าถ้าใส่ใจว่าสีขาวด้วยอกุศลสัญญาแล้วเสียหายตรงไหนตรงนั้นแหละเป็นเริ่มกิจของสติแล้วถ้าถ้าใส่ใจในสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นต้นเนี่ย ด้วยใจรักด้วยฉันทา่าด้วยอำนาจตัณหาเนี่ยนะสติจะเกิดมาบอกเสียหายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนั้นอันนั้นแต่จะเป็นกิจของสติพอระลึกได้ถึงโอวาทคาสอนเป็นต้นที่เคยศึกษาเคยฟังเคยได้ยินมาในอดีตก็ระลึกเอามาเปรียบว่าเนี่ยเสียหายอย่างนั้นนะเสียหายอย่างนั้นพรานสัญญานี้ก็เน้นตรารกกับอารมณ์ที่แยกแยะอารมณ์เฉพาะหน้าได้ก็อย่าลืมว่าพวกสัญญาเนี่ยนะเป็นอน ญ, ญัสมนา กิร่วมกับทั้งกุศลและอ ก, กุศลอยู่แล้วทีนี้เราที่เรามาเจริญกันก็คงเจริญกุศลเพื่อกําจัดอ ก, กุศลคนที่มาเจริญกุศลสัญญาก็แสดงว่าเห็นโทษของอ ก, กุศลสัญญาก็ทวารตานะพระองค์จําแนกเกี่ยวกับเรื่องสัญญาไว้ในทวารตาส่วนสังขารเนี่ยย่อมปรุงแต่งเนี่ยนะปรุงแต่งนี้เช่นรู ป, ปรสันเจตนาสัทธาสันเจตนาเป็นต้นนั้นเป็นตัวแทนของ สังขารขันนะย่อมปรุงแต่งอะไรม้างปรุงแต่งกายกรรมวิจิกรรมและมโนกรรมนั่นแหละส่วนวิญญาณเนี่ยย่อมรู้แจ้งอันนี้ถ้าเป็นในพระสูตรเนี่ยพระองค์จว่ารู้แจ้งรสเปรี้ยวรสหวานรสขมรสเผ็ดเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ยกให้วิญญาณเอวิญญาณนี่เป็นตัวจำแนกรสได้เป็นอย่างดีนะเป็นที่น่าแปลกว่า ถ้าสัญญาเนี่ยเอาสีมาจําแนกถ้าวิญญาณนี่เอารสมาจําแนกนั่นะก็เอาไปคิดดูว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาจําแนกนะถ้าไม่เอาวิญญาณมาจําแนกใช่ไหมเคอเปรี้ยวกับเคอะเคอเนี่ยเปรี้ยวมากเค็มมากหวานมากเนะี่ยเอาอะไรมาจําแนกเอเ่ะใช้ทวารตาจําแนกได้ไหมไม่ได้เอาทวารไหนก็จำแนกไม่น่าเอาการรู้แจ้งเนี่ยนะลิ้นเนี่ยนะเขบอกว่าลิ้นเนี่ยให้ให้ยกให้ความสําคัญมาก ทัพทีอยู่กับแกงใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้รสแกงไม่เหมือนลิ้นลิ้นเนี่ยชิมปั๊บรู้เลยอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่ายกวิญญาณเนี่ยปิดวิญญาณเนี่ยอธิบายเป็นรู้รสต่างๆรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสฝาดรสต่างๆเนี่ยนะยกให้ให้ชิวหาชิวหาซึ่งชิวหาวิญญาณเนี่ยนะเป็นตัวจําแนกั้านตัวชิวหาวิญญาณที่ใหญ่มากกับเพื่อนนี่ก็คือในการจําแนกรสอันนี้ยกให้วิญญาณเป็นหลักเลยนะในการแยกรสเนี่ย แต่ถ้าแยกสียกให้สัญญาเป็นหลักแต่พวกนี้ที่เรียกว่าขันก็เพราะว่าเป็นกองนะถ้ารูปประคันในภายในก็ถ้าจัตนาภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายสีสีภายในนะสีทั้งหลายสีเสียงกลิ่นรสโภชภะพวกนี้ก็เป็นรูปตัวพวกรูปพวกนี้เป็นวัตถุกับเป็นอารมณ์ของเวทนาสัญญาสังขารแลย วิญญาณเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าเป็นกองก็เพราะเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทําไมจึงเรียกว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยเพื่อใหอ้เพื่อให้เห็นว่าขันห้าเนี่ยมันไหลไปดุดกระแสน้ำเขาเรียกว่ากระแสแห่งสังสารวัตเนี่ยนะมันไหลไปดุดกระแสน้ําอนี่ยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็ไหลมาจนถึงปัจจุบันแล้วมันก็ไหลต่อไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นขันห้าอันนี้เคยมีทั้งในอดีตจกมีต่อไปใน อนาคตและคือกําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เลยเรียกว่าเป็นกองภายในฉันใดาภายนอกก็ฉันนั้นทีนี้ในบรรดาภายในภายนอกมันมีแบบหยาบ ก, กับแบบละเอียดแบบเลวกับแบบประณีตแบบอยู่ไกลกับแบบอยู่ใกล้เนะก็มาจําแนกโดยประการต่างๆเพื่อให้เห็นว่านั่นเป็นขันนั่นเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเป็นต้นนั่นเอง การจำแนกที่เจรณาอย่างนี้เรียกว่าการเจริญปริญญาเนี่ยนะการเจริญปริญญาซึ่งความจริงขันมีอยู่แต่สัตว์หามีไม่แต่อาศัยความที่ขันประชุมกันโวหารว่าสัตว์จึงมีขึ้นเนีน่ยนะก็ธรรมะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการทำปริญญาเรื่องอะไรอยู่เนี่ยไม่พ้นหรอกคือธรรมะเนี่ยจะว่าเรียนอยู่เรื่องเดียวก็เรื่องเดีย ว, ร อ, ยวอริยสั์อยู่เรื่องเดียวทั้งปีทั้งชาตินี่แหละ แต่ว่าจําแนกโดยนัยยะหนึ่งบ้างปริยายต่างๆโดยโวหารเทศนาเพื่อบ่มปัญญีสีของผู้มีอินทรีย์อ่อนทั้งหลายแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าแทงตลอดนี่โรคแล้วพระองค์ก็ไม่ค่อยเทศมากล่ล้วถ้าบรรลุอสังคตาธาตุไปแล้วมาดูธรรมะหมวดหกบ้างนะธรรมะหมวดหกธรรมะหมวดหกเนี่ยคืออะไรคือเอาขันห้ามาจําแนกเช่นในในหน้าซ้ายมือเนี่ยนะ รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยมันก็คือมันดุนดุนหุ่นหุ่นเลยใช่ไหยพอมาเป็นธรรมะหกสิบเนี่ยนะพอมาเป็นธรรมะหกสิบนั่นคือการเอาขันห้ามาจําแนกเช่นอายตนะภายในเนี่ยนะเป็นรูปประขันซะส่วนใหญ่รูปประขันห้าไหมถ้าอายตนะภายนอกก็เป็นรูปประขันอีกรูปประขันซะส่วนใหญ่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเนี่ยนะคือ ตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงเกลิ่นรสโภตาภะเป็นรูปประคันหมดเลยนี่คือเอารูปประคันมาจำแนกใส่แล้วพอจำแนกรูปประคันเสร็จว่าอาศัยวัตถุ ก, กับอารมณ์กระท่ากันวิญญาณนัขขันก็เกิดนี่ก็แสดงวิญญาณนัขขันนะถ้าทั้งหมดประชุมกันเป็นผัสสะผัสสะเป็นสังขารขันผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาก็แสดงเวทนาขันผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดสัญญาก็เลยแสดง สัญญาขันภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเจตนาตันหาวิตกวิจารอันนั้นก็เป็นสังขารขันพวกนี้เป็นปิยรูปสารรูปนะเป็นสภาวะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจซึ่งปิยรูปสารรูปทั้งหกสิบนั้นก็คือจําแนกขันห้าในทวารหกนะ อ, อย่างเช่นตากับสีเป็นรูปขันจักขูวิญญาณเป็นวิญญาณขันเวทนาที่เกิดขึ้นเป็น เวทนาขันสัญญาก็เป็นสัญญาขันภาษะเวภาษาเจตนาตัณหาวิตกวิจารเป็นสังขารขันก็คือขันห้าในทวารตาขันห้าในทวารหูขันห้าในทวารจมูกขันห้าในทวารลิ้นขันห้าในทวารกายขันห้าในทวารใจก็คือขันห้าในทวารหกมันเองีนะก็มาจําแนกโดยปริยายต่างๆซึ่ง ในบรรดาธรรมที่จำแนกมากก็คือสังขารขันเนี่เอามาจำแนกมากสังขารขันนี่จำแนกโดยอะไรโดยภาษะโดยเจตนาโดยตันหาโดยวิตกโดยวิจาร์เนี่ยคือจำแนกสังขารขันเนี่ยมากเพราะว่าสภาวะแต่ละอย่างเนี่ยหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเนี่ยนีเช่นตาเนี่ยถ้าถ้าเทียบแล้วนะทั้งหมดเนี่ยอายตนะภายในหกหน้าพอใจที่สุด คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรองลงมาก็อายตนะภายนอกรูปเสียงเปลี่นรสโพธะแต่รูปในตัวรูปจริงๆเราติดเยอะนะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เก็บเอาไว้ก่อนจักโครุเออับจักโคโสตคานะเชียวหากายมนโนหกประการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราโอ้โห ถาแต่ว่าไปแม้กระทั่งมานะอะไรทั้งหลายเลยนี่อาศัยพวกนี้ทั้งหมดท่านหามานะทิ่ทีทเยอะยิงถือตัวอะไรก็เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะยิ่งใหญ่มากห่วงแหนมากอันนในโลกที่ลืมตามองเห็ น, นเรารักตาเราที่สุดในโลกทวารหูที่ได้ยินเสียงเสียงมันจะดีขนาดไหนก็ตามเรารักหูเรามากที่สุดในโลกของทวารจมูกนะกลิ่นมันสารพัดกลิ่นขนาดไหนเรารักจมูกมากที่สุดเนี่ยนะยอมเสียกลิ่นหรือเสียจมูก เสียเกล็ด <techniques> เอาจมูกไว้ก่อนโลกของทาวารลิ้นนะอาหารเต็มโตขนาดไหนก็ตามเรารักลิ้นมากที่สุดทาวารกายนะผอทผ้าเสื้อผ้ามันจะขนาดไหนจะเอาผ้าหรือจะเอาผิวไว้ก่อนก็เอากายไว้ก่อนแล้วก็ทาวารใจนะเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยเอาใจไว้ก่อนรักษามโมพันเขาบอกว่าหัวงแหนเหมือนกับวัตถุภายในเลยก็เลยเรียกว่าอายตนะภายในรองลง ok มา ก, ก็ยึดติดในรูป ยึดติดในเสียงในกลิน่นยึดติดในรสในพอธภะในธรรมารมรูปนี่เราติดนะถึงไม่ได้เห็นก็ไม่เป็นไรขอให้มีเก็บไว้ก่อนเก็บภาพไว้ตั้งหลายอย่างงนะศัยอาราบ้าห่วงรูปมากแต่ว่ามันไม่ได้ดูหรอกดูเมื่อไหรจ่จะขูวิญญาณจึงจะเกิดใช่ไหมวิญญาณมันไม่ได้เกิดตลอดนี่แต่ห่วงห่วงกานห่วงไว้แล้วไม่ให้เสียหรอกรูปก็เก็บไว้อย่างดีว่างๆค่อยเอามาดูสักทีนึง ห่วงหูมากเสียงเนี่ยนะเครื่องอะไรที่เป็นอุปกรณ์ของเสียงนะห่วงมากนานๆจึงจะเอามาฟังทีโสตะวิญญาณจึงจะเกิดห่วงจมูกก็ห่วงนะกลิ่นน้ำหอมบางอย่างล้วก็เก็บไว้นานนะแล้วก็นานๆจะได้เอามาใช้สักทีขานะวิญญาณจึงจะเกิดลิ้นเนี่ยเราก็มีใช่ไอาหารเราก็เก็บไว้ก่อนว่างๆสักช่วงหนึ่งค่อยสัมผัสชิวหาวิญญาณจึงจะเกิดนะ ห่วงกายมากเสื้อผ้ามีตั้งหลายชุดใช่ไหมว่างๆก็เอามาสวมทีละชุดทีละชุดหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพื่อให้กายย่วิญญาณได้สเสวยมโนโมีละธรรมะเช่นตัวหนังสือนะตัวหนังสือเนื้อหาในหนังสือก็มีนหมือว่ามีหนังสือเป็นตัวแทนสั ญ, ญลักษณ์ของธรมรมารมนะกายก็มีมโนก็มีนั่ น, า น, านจริงจะเอามาอ่านทีวิญญาณจึงจะเกิด พัน้าเทียบมองไปตามนี้แล้วเนี่ยวิญญาณมันเกิดทีหลังจริงๆตีที่เริ่มห่วงมาเป็นลำดับตามมานะจะค่อยๆตามลาดับแบบนี้เมื่อสามอย่างประชุมกันจึงเรียกว่าหัสสะพถ้ธสามอย่างประชุมกันนะเราจะให้ความสำคัญกับตรงนี้มากเช่นว่าทวานตาเลยนะยกตัวอย่างทวานตาเราต้องไปเห็นมาซะก่อนเราจึงจะจึงจะยอมรับนะถ้ายังได้หัสสะอยู่นะจึงจะเชื่อ ถ้ายังไม่ได้ภาษานะยังก็ยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยสําคัญมากเลยจนระิงๆก็สามอย่างประชุมกันนะจึงมีภาษะก็อันนี้คือความสําคัญทวนอีกครั้งนึงนะพวกเนี่ยกายกับโพธภาภะเนี่ยพวกนี้เป็นรูปประคันรูปประคันที่เห็นเห็นเนี่ยจําแนกไว้าแค่นี้ส่วนที่เหลือก็เป็นพวกนี้เป็นวิญญาณขันนะมะโนก็เป็นวิญญาณขันพวก รับอารมณ์เกิดขึ้นก็วิญญาณขันธ์ภาสะคือการประชุมวัตถุวิญญาณอารมณ์กระทบกันรเรียกว่าอะไรวิญญาณขันธ์พอวิญญาณขันธ์เกิดที่ใดที่นั่นมีภาสะภาสะเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยเชิงเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าแล้วสังขารก็แบ่งเป็นเจตนา การหาอะไรวิตวิจารเห็นไหะก็พวกนี้อารคันนะเอามาจําแนกเยอะเลย